หรือเรียกง่ายๆว่าผ่านทวารคือทางรับรู้ทั้งหกคือจักขุโสตะคานะจิวหากายมโนโหรือเรียกง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังอธิบายแล้วข้างต้นคำว่าภาษานี้ระวังไม่พึงสับสนความหมายของภาษะที่ใช้ในบาลีเดิม กับความหมายที่นํามาใช้ในบางแห่งในสมัยปัจจุบันที่ว่าภาษาเป็นแหล่งเกิดของความรู้ทั้งหลายพึงอ้างบาลีได้มากมายในที่นี้ท่านยกตัวอย่างไว้จํานวนมากท่านผู้สนใจดูได้จากหนังสือนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถืออย่างเคร่งครัดภาษาไม่เป็นปัจจัยของความรู้ที่เรียกว่าวิญ ญ, ญาณ และวิญญาณเป็นองค์ประกอบร่วมในการเกิดผัสสะดังนั้นบาลีที่อ้างเหล่านี้จึงไม่กล่าวว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขันข์แต่กล่าวว่านามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขันข์ประนั้นก็ดีถ้อยคําภาษาไทยว่าผัสสะเป็นแหล่งของความรู้ทั้งหมดก็นับว่าถูกต้องเพราะคาว่าแหล่ง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 ได้แก่ความรู้ชั้นต้นหลายอย่างคือความรู้รูปหรือสีเสียงกลิ่นรสและผลทพสิ่งต้องกายทั้งหลายซึ่งสรุปลงได้ในปัตวีสภาวะแคนแข็งเตโชวความร้อนหรืออุณหภูมิและวาโย ο, ความสั่นไหวเคลื่อนและเกรงตึง มที่สองความรู้ที่ได้ทางมโนทวารคือใจได้แก่ธรรมารมหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับกล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่ใจรู้ที่ใจคิดธรรมารมหรือธรรมนี้ว่าตามแนวอภิธรรมท่านแยกแยาให้เห็นชัดขึ้นอีกว่ามีห้าอย่าง คืออย่างที่หนึ่งเวทนาขันต์หมายถึงเวทนาในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ข้อต่อๆไปก็พึงเข้าใจเช่นเดียวกันธรรมารมอย่างที่สองคือสัญญาขันต์ธรรมารมอย่างที่สามคือสังขารขันต์ธรรมารมอย่างที่สี่คืออนิทัศนะอปปติขารูป รูปที่เห็นไม่ได้กระทบหรือถูกต้องไม่ได้อันนับเนื่องในธรรมายตนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุขุมรูปมี16หอย่างคืออาโ ป, โปในวงเล็บอาโปธาตุคือสภาพดึงดูดซึมซาบอิทธิภาวะความเป็นหญิงบุริสภาวะความเป็นชายอัธยรูป ที่ตั้งแห่งใจชีวิตตินสีอาหารระรูปหมายถึงโอชาอากาศคืออวกาศหรือช่องว่างกายวิญญัตการสื่อความหมายด้วยกายวจีวินยัตการสื่อความหมายด้วยวาจาวิการะรูปสามคือละหุตาความเบามุทุตาความอ่อนนุ่ม กรรมัตยตาความควรแก่งานและลักษณะรูปสีคืออุ ป, ปัจจยาความก่อตัวหรือเติบขึ้นสันต ต, ค ต, ติความสืบต่อชรตาความสุดโทมอานิจจตาความแปรสลายธรรมารม์อย่างที่หอสังคตาธาตุคือนิพพาน คำพีอภิธรรมชั้นหลังประสงค์จะให้เข้าใจง่ายและละเอียดยิ่งขึ้นได้จัดแบ่งธรรมารมคือสิ่งที่เป็นความรู้ทางใจนี้อีกแบบหนึ่งโดยจำแนกเป็น6กอย่างคือ 1. ประสาษาธะหรือประสาททั้ง5คือความใสหรือความไวที่เป็นตัวสื่อรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกาย 2. สุคุมรูป16ที่กล่าวแล้วในข้อสีของชุดก่อน 3. จิต 4. เจตสิกข้อนี้ตรงกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันในชุดก่อน 5. นิพพานและ6บัญญัติคือคำเรียกขานชื่อเรียกคำกำหนดที่วางไว้ เช่นชื่อเรียกว่าพื้นดินภูเขารถคนทิศเหนือทิศใต้หลุมบอ่อเกาะแหลมเป็นต้นซึ่งตัวจริงของสิ่งที่บัญญัติเรียกนั้นเป็นของมีจริงก็มีไม่มีอยู่จริงก็มีแต่จะมีหรือไม่มีก็ตามคำบัญญัตินั้นก็เป็นกาลวินิมุิคือไม่ขึ้นต่อการและไม่พินาศ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 ยอมเกิดดับเสื่อมสลายไปแต่บัญญัติว่าสัญญาหาเสื่อมสลายไม่เพราะสิ่งที่มีภาวะเช่นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าสัญญาเสมอไปคือถ้าได้ตกลงไว้อย่างนั้นหรือเช่นสิ่งที่เป็นร่างกายยอมสุดโสมแตกสลายได้แต่บัญญัติว่ากายยอมคงที่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 ไม่เทียพูดด้วยภาษาทางวิชาการอย่างนี้อาจเข้าใจยากสักหน่อยโดยเฉพาะความรู้ทางมนุษวานบางอย่างบางคนอาจแยกไม่ออกจากความรู้ทางปัญจทวาลถ้าสามารถแยกได้ก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินคนพูด ความรู้ทางปัญจทวารในที่นี้ได้แก่โสตาทวารคือหูเป็นเพียงความรู้เสียงคือได้ยินเสียงเท่านั้นหาใช่รู้คำพูดไม่ส่วนการรู้คำพูดหรือความหมายของถ้อยคำนั้นๆว่าเขาพูดอะไรๆเป็นความรู้ที่เกิดในมโนทวารหรือเมื่อมองดูหลังคา ความรู้ทางปัญจทวารในที่นี้ได้แก่จักขุทวารคือตาเป็นเพียงความรู้รูปหรือรู้สีเท่านั้นหาเชื่อรู้หลังคาไม่การรู้ภาวะที่คลุมที่มุงที่ปกป้องแล้วรู้ความเป็นหลังคาสำเร็จได้ที่มโนทวารโดยในยน่านนี้จะเห็นว่า ความรู้ทางใจหรือความรู้ธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจรู้หรือเรื่องในใจนั้นมีขอบเขตกว้างขวางมากครอบคลุมไปถึงความรู้ที่รับเข้ามาทางปัญจทวารพร้อมทั้งความรู้ที่เป็นเรื่องจำเพาะของใจถ้าพูดด้วยภาษาง่ายลงสักหน่อยอาจแยกประเภทความรู้ทางมโนทวารได้อีกแนวหนึ่งดังนี้ หนึ่งอารมณ์เฉพาะของใจเช่นความรักความโกรธความขุนมัวผ่องใสดีใจเสียใจซึมเศร้าเหงาหงอยว้าเวเบิกบานกล้าหาญหวั่นกลัวเป็นต้นสองอารมณ์อดีตซึ่งได้รับรู้ไว้ด้วยอายตนะห้าอย่างแรกเรียกง่ายๆว่าอารมณ์อดีต ของปัญจทวาร 3. อารมณ์ที่เนื่องอยู่กับรูปธรรมที่เป็นอารมณ์ของปัญจทวาร น, นั่นเองแต่วิญญาณทางปัญจทวาร น, นั้นไม่รู้ได้แก่บัญญัติและความสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับรูปธรรมทั้งหลายเช่นหน้าที่ความสืบเนื่องความพลี่คลายขยายตัวความเป็นองค์ประกอบกัน ของรูปธปรรมต่างๆเป็นต้น 4. การปรุงแต่งอารมณ์อ ด, ดีตที่รับเข้ามาทางปัญจทวารพร้อมทางอารมณ์เฉพาะของใจและความรู้เกี่ยวกับบัญญัติและความสัมพันธ์ต่างๆขึ้นเป็นความตรึตรกคิดหาเหตุผลและจินตนาการต่างๆตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการ าความยังรู้หรือปริชาพิเศษต่างๆที่ผุดโพลงขึ้นในใจสว่างชัดทั่วตลอดเช่นมองเห็นอาการที่สัมพันธ์กันของบางสิ่งแล้วเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งมองเห็นกฎแห่งความสัมพันธ์นั้นได้แก่ความรู้ที่เรียกว่าญาณเช่นอภิญญาเป็นต้นข้อที่6 อสังคตาธรรมคือนิพพานถ้าจับเอาตรงแค่ัสษะโดยถือว่าเป็นจุดที่ความรู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงก็แยกประเภทความรู้เป็นสองคือความรู้ที่ได้ด้วยภาษาทางปัญจทวารและความรู้ที่ได้ด้วยมโนภาษะคือภสษาทางมโนท ว, วารซึ่งก็ได้ความ เท่ากับที่จำแนกโดยทวารอย่างที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งตามความนิยมในคำพีทั้งหลายท่านจัดความรู้ตามทางรับรู้เป็นสี่ประเภทคือหนึ่งทิฏฐะสิ่งที่เห็นได้แก่รูปารมณ์ทั้งหลายทั้งความรู้ที่ได้ด้วยการเห็นการดู สสุตตะสิ่งที่ได้ยินได้แก่เสียงและความรู้ที่ได้ด้วยการสะดับทั้งหลาย 3. ม, มุตตสิ่งที่ศาบได้แก่กลิ่นรสและผลถั่ะหรือสิ่งที่รับรู้ทางจมูกลิ้นและกาย 4. วิญญาตะสิ่งที่แจ้งใจ ได้แก่ธรรมารม์กล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่รู้ด้วยใจสมอย่างแรกคือทิฏฐะสุ ต, ตะและมุตตะเป็นความรู้ทางปัญจทวารแต่ท่านแยกออกเป็นสามพวกเพราะการเห็นและการได้ยินเป็นแหล่งความรู้สําคัญมีขอบเขตกว้างขวางมากจึงแยกเป็นแต่ละอย่าง ส่วนความรู้ทางทวารอีกสามได้แก่ทางจมูกลิ้นและกายมีลักษณะร่วมกันคือเป็นความรู้ของทวารซึ่งรับอารมณ์ที่มาถึงตัวคือกลิ่นรสและผดธักต้องมาถูกต้องที่อายตนะจึงรู้ได้ต่างจากตาและหูซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่มาแต่ต้องถึงอายตนะคือรูปอาศัยแสง เสียงอาศัยคลื่นเป็นสื่อเชื่อมต่อจากขุและโสตเป็นอัปปตะวิสยคาฮิกะคือรับอารมณ์ที่ไม่มาถึงเรียกสันส้นๆว่าอัปปตาคาฮิกะคานะชิวหาและกายเป็นสัมปะตะวิสยคาฮิกะคือรับอารมณ์ที่มาถึง เรียกสันส้นๆว่าสัมปะตคะาหิกะว่าโดยความหมายอย่างเร่งรัดความรู้ทางปัญจทวารมีขอบเขต จ, จำกัดแคบมากดังกล่าวแล้วข้างตน้นแต่ตามที่ใช้ทั่วไปท่านมุงเอาความหมายกว้างๆหลวมๆกล่าวคือทิฏฐะหมายถึงสิ่งที่เห็น และความรู้ที่ได้ด้วยอาศัยตาหรือด้วยการดูการเห็นทั้งหมดแม้ที่ใจได้แปลความหมายออกไปแล้วแต่ยังเป็นความหมายโดยตรงขั้นต้นที่ไม่มีการปรุงแต่งเสริมต่อสุตะก็หมายถึงสิ่งที่ได้ยินและความรู้ที่ได้จากการฟังทั้งหมดรวมทั้งถ้อยคำพูจาซึ่งใจได้แปลความหมายขั้นต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้เอาไปปรุงแต่งต่อเสริมอีกแม้มูตะก็พึงทราบทำนองเดียวกันนี้หากจะใช้คำศัพท์ความรู้ทางปัญจทวารคือทิฏฐะสุตตะและมูตานี้กินความหมายกว้างออกมาได้เพียงแค่ปัญจทวาริการสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวาร นอกจากนั้นไปก็เป็นวิญญาตะคือความรู้ที่อาศัยมโนทวาร